ไม่ตัง้งซอนรู้เป็นมันก็ใสแล้วข้อสำคัญไปเสียเวลาแช่รู้งมรู้นั่นแหละนั่นแหละที่มันไม่ใสมันไม่สว่างทุกทีมันอยู่สภาพดําเดิมดําเดิมดําเดิมดําเดิมในความเคยชินมันก็เลยไม่สว่างถ้ามันคลายจะรู้เป็นเนี่ยมันก็ใสขึ้นมาเองสว่างขึ้นมาเอง มันไม่ใช่การแชร่ไงลูกไม่ใช่การทรงการแชร่การทรงนี่เ้ามันเป็นการหมักเชื้อเพราะเชื้อหมักนี่แหละเขาเรียกว่านอกเหนือขันสละขันนอกเหนือขันนอกเหนือจิตสละจิตที่ลูกไปตั้งซอ ล, ลงไปเนี่ยมันไม่ได้สละแต่มันยึดเอาเป็นเจ้าของจิตตัวเอ ง, ต, เองตัวเองในจิตอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของจิตวิญญาณที่จะต้องท่องเที่ยวและเล่ร่อนไปในวัตถาจักรทังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปรากฏการณ์เหตุการณ์ทนการสัพทธาสัพสิงนี่แหละความคุ้นเคยความเคยชินเดิมเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ตั้งเราก็ไม่ต้องไม่ซ้อนกันก ไม่เอาแบบเดิมเดิมไม่เอาแบบเคยชินไม่เอาแบบเดิมเดิมเอาไม่ไม่ไปตามความเคยชินเดิมเดิมนี่ไม่ซ้อนเนี่ยไม่ซ้อนรู้นี่ยไม่ตั้งซ้อนรู้ไม่แช่รู้เน่ยไม่แช่จิตไม่ตั้งไม่ต้องซ้อนจิตมันก็จะจ้าขึ้นมาเองเลยแล้อว่าโผล่ขึ้นมาเองจ้าขึ้นมาเองสว่างขึ้นมาเองไม่เป็นระบบนิวน์ คือการซึมในอารมณ์เนี่ยเขาเรียกนิวรณ์ทุประเภทนั่นแหละหรือการที่ต้องหมกมุ่นในธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็จัดว่าเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นแหละอย่าไปตามความเคยชินดิอย่าไปตามความคุ้นเคยเคยแช่ก็แช่ไม่ใช่ลูกเคยทรงก็ทรงไม่ใช่เคยอยู่เคยซึมก็จิตก็ซึมกับจิตก็ไม่ใช่ก็กก็ไม่ต้องก็แค่ไม่ต้องไม่ตั้ง ทัานนี้เองก็สว่างแล้วกลายเป็นมหาสมพัชญาขึ้นมาเองตื่นพร้อมตื่นพร่งโร่งโปร่งโล่งกว้างขวางนี่มหาสมพัชญานี่มันยิ่งกว่ากายยิ่งกว่าจิตยิ่งกว่าตัวเองหถ้าว่าออกมันโปร่งคือโปร่งคือโล่งคือไร้ขอบเขตคือไม่คุม คือไม่ประคองคือไม่ได้เฝ้าอาการคือไม่ได้รักษาอะไรไม่ใช่การยึดติดไม่ใช่ระบบเฝ้ายามวิชาเฝ้ายามไม่ใช่นี่เนื้อหาตัดสรุปความไม่ติดไม่ยึดไม่ได้เฝ้าธาตุเฝ้าขันหมายถึงการไม่เนื่องด้วยธาตุไม่เนื่องด้วยขันก็แค่ไม่ตั้งซ้อนไม่ต้องซ้อน ไม่ไปคอยตั้งคอยต้องซ่อลงไปในธาตุในขันมันก็ไม่เฝ้าแล้วเรกวสะธาสะขันคลายไม่ใช่ตรงความเพยอชินเคยแช่ก็แช่ไม่ใช่เคยเฉิมก็เฉิมมันไม่ใช่อนั่นมันเดิมเดิมมืดแบบเดิมเดิมหลงแบบเดิมเดิมอันนี้มันออกนะตื่นออก การไม่เนื่องด้วยนั่นก็คือไม่จริงๆไง ล, ลูกมันไม่ใช่แค่ความสานึกคือไม่ไม่เก้งกังในการจะมาคอยปรับระบบจิตให้มันถูกให้มันพ้นผิดพ้นภัยอะไรมันไม่ใช่ระบบเก่งกังไม่ก็คือไม่ล้วน ไม่มีระบบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ก็คือไม่ไม่เกิดไม่เป็นไม่เริ่มไม่จบมาใชกการคอยติดคอยหลุดเรื่องละไม่ก็คือไม่มาใิกการคุ้นเคยหรือความเคยชินเดิมที่แช่ที่ทรงที่คอยดาเนินคอยขับเคลื่อนอะไรเจริญดูเจริญรู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ให้มัน ดําเดิมหมกมุ่นเดําเดิมโมหะดําเดิม ok ana, โดยที่ไม่เนื่องไม่เนื่องด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่เนื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่เนื่องด้วยรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่เนื่องด้วยอยู่แล้วเนี่ยลูกไม่ใช่การคุ้นเคยการรู้การเห็นการหรือการคิดอันนี้มันคือไม่เนื่องด้วยไม่คือไม่ดังนั้นความเคยชินในสภาพหนึ่งสภาพใดที่ ไปส่งเสริมมันอยู่นั้นน่ะมันก็จะเป็นเชื้อเป็นปัจจัยการสู่ลักษณะต่างๆต่ตตตตอไปอีกความเย็นเย่อที่ไม่รู้จบของกระแสตัณหาของโมหะมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆขอให้มีเชื้อสักนิดข้างนั้นแหละไปเริ่มเกาะเริ่มตั้งเริ่มต้องอะไรสักหน่อยท่านั้นแหละมันก็ต่อลามไปเรื่อยนี่ก็ไม่ต้องไปเสด็จ ความเคยชินความคุ้นเคยทางจิตทางความรู้สึกอารมณ์อย่าไปเสียดายมันเด็ไม่ต้องไปเสียดายการไม่เนื่องด้วยไงลูกคือการไม่เนื่องด้วยไม่เนื่องด้วยไม่เนื่องด้วยไม่ต้องไปเสียดายที่จะแช่ที่จะทรงทันนี้แหละลูกก็สว่างแล้วมันก็จาก้าขึ้นเลยสว่างขึ้นเลยนอกเหนือความเป็นชีวิตนอกเหนือความเป็นคนเป็นสัตว์นอกเหนือสถานะของความเป็นสัตว์โลกทันที ที่สมมติกันว่าอริยะอริยะนั่นแหละโดยสมมติแต่โดยเนี้ยหาไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ใช่อะไรทั้งนั้นโดยสมมติก็คืออริยะอที่มีเนื่องด้วยเนี่ยไม่ใช่ตรงคุ้นเคยถ้าตรงคุ้นเคยมันจะเป็นสภาวะเป็นลักษณะเป็นอาการเพราะเรียกว่ามันยังติดอยู่แค่สภาวะซึ่งซึ่งก็อนิจจงสภาวะทุกสภาวะอนิจจงทั้งหมด ลักษณะอาการทั้งหลายก็ลักษณะที่มันอนิจจังทั้งหมดอย่ามาติดอยู่แค่อนิจจัง อ, นนงอันนี้ตรงอนิจจังนอกเหนืออ น, นิจนนจังโปร่งอนิจจังไม่ใช่ถึงความเคยชินี่เคยเฉมก็เฉมอย่างนี้เคยสอกแซกกะรู้ก็สอกแซกกะรู้อยู่อย่างนั้นอะไรไม่ใช่ลูกไม่ก็คือไม่มันก็คือการไม่เนื่องด้วยทันทีนั่นแหละ คอยเต็มที่ในในสัจธรรมหน่อยเดี๋ยว่าไปหลงเสียเวลาคอยผูกคอยแก้ระบบจิตอยู่ยิ่งไปหลงคอยผูกคอยแก้มันก็บอกแล้วยิ่งหลงมันไม่ไหม้สักทีมันไปหลงคอยผูกคอยแก้อยู่มันไม่ยอมไม่ไหม้สักทีโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ตั้งมันก็ไหม้เลยไม่ต้องไปคอยผูกคอยแก้อะไรก็เรียบร้อยเลยลูก ไม่เป็นโมหะในการสร้างธนาการลักษณะใหม่ต่อไปเรียกว่าสถานการณ์ทางจิตที่ขยันสร้างขึ้นมานะเป็นสถานการณ์สถานการณ์ชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการปรุงแต่งไม่ไม่คือไม่อะลูกมันไม่เหลือใจมันหมดหมดเลย ไม่มาห่วงความรู้สึกอยู่ห่วงรู้ห่วงเห็นห่วงนึกห่วงคิดอยู่มันจะไม่ห่วงมันหมดเลยไม่ต้องมาเสดดายไอ้วังวนแบบนี้วนไปมันก็ไม่สิ้นสุดวนรู้วนเห็นวนนึกวนคิดวนกระทัดขันสัญญาเดิมๆไปทันหน้าเก่าๆไม่เนี้ยมันตัดความคุ้นเคยตัดความเคยชินคาว่าเคยชินแล้วคุ้นเคยตัวเนี้ยคือการแช่เลยลูก คือการดองเลยแช่เลยแต่นั้นก็โดยที่ไม่เนี่ยไม่ต้องนี่แหละมันหมดมันสุดสั้นเพราะว่าสุดสั้นคือมันจะหมดสั้นนั่นเองมันหมดสั้นนั่นเองมันจบสั้นเอมันหมดสั้นสุดสุดสั้นมันจะไม่ไปหลงคอยสั้นคอยยาวคอยย่นเยื่อนนั่นแหละมันจะมันจะไม่ต่อไปแบบนั้น เราว่าไม่เป็นระบบสันตติไปหน้าเรื่อยที่เรียกว่าไม่เนื่องในตัวมันเองนี่แหละคือโดยที่ไม่นี่แหละโดยที่ไม่ตั้งนี่แหละโดยที่ไม่ต้องนี่แหละมันจะไม่เนื่องในตัวมันเองะแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งเนี่ยตลอดไม่ไปคอยซ้อนลงไปในจิตในรู้ในเห็นในนึกในคิดในภาวะลักษณะอาการไม่ไปคอยซ้อน เพราะ่าของเดิมความเคยชินเดิมๆมันก็คือคอยตะลุมบอนไม่แค่ซ้อนอย่างเดียวตะลุมบอนอย่างเดียวหมกมุ่นด้วยซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปคอยจะทับซ้อนทับซ้อนตลอดซ้อนท่าซ้อนขันซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนตลอดของเดิมหมกมุ่นแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องซ้อนไม่ต้องซ้อนดูไม่ต้องซ้อนรู้หมดทิฏฐิหมดมานนะ หมดอัตาตัวตนในยานทัศนะทั้งหลายหมดอัตาตัวตนในรู้นั่นเองโดยที่ไม่ตั้งอยู่แล้วมันจะนอกเหนือรู้นอกเหนือเห็นนี่แหละไม่ไ ม, ไม่โนโนมนโนจิตจริงๆไม่มีที่มี ม, มีแต่โมหะตัณหาวิชาความหลงจิตจริงๆไม่มีหรอก หรือว่างอยู่แล้วไม่อยู่แล้วหรือว่างอยู่แล้วที่มีมันก็เป็นเรื่องของการอุปโต ก, กรรมตัวกําหนดโดยที่มีตั้งโดยที่ไม่ต้องอยู่แล้วมันจะล้างตัวกำหนดทั้งหมดล้างกรรมทั้งหมดในปัจจุบันกรรมปัจจุบันทั้งหมดถูกล้างทันทีมันจะมีได้ผลของกรรมเก่าที่สวยผลกันไปให้ผลกันไปแด่กรรมใหม่ถูกล้างทันทีไม่ก่อเกิดของใหม่ โดยที่ไม่ตั้งอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องซ้อนธาตุซ้อนขันอยู่แล้วนี่แหละเครื่อ <c messaging> ไม่ก่อเกิดกรรมใหม่มันจะมีเป็นเพียงแต่แค่ผลของกรรมเก่าที่มันให้ผลกันไปเริมเป็นหนี้ของกรรมใช้หนี้กรรมเท่า น, นั้นเองแล้วก็ผ่านไปจบไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งสิ่งนั้นไม่ต้องไปผูไปแก้กับมันแค่โหสิกรรมก็พอละขอโหสิกรรมก็พอเราแค่ไม่ต้องอยู่แล้วนี่แหละไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วนั่นแหละ แคนนี้มันก็ไม่หนักตาหนักหูหนักตัวหนักตนแล้วหนักกายหนักจิตมันก็ไม่หนักแล้วไม่ตึงแล้วคําว่าตั้งก็คือของหนักนั่นแหละการกดทับการตั้งทับอันนี้มันยิ่งกว่าการทรงสติการทรงสมาธิการทรงฌานทรงญาณอันนี้มันหมายถึงการจบให้กระทําทั้งหลายจบให้การปฏิบัติทั้งหลายแล้วก็จบกิจจบกิจ ตรงตอนนี้โลดอยู่แล้วตรงตอนนี้พานอยู่แล้ว๋ยวไปเอาตรงความเคยชินเดิมๆเคยเชิมมันความรู้สึกก็เชิมเคยแช่ก็แช่ยาอย่างนั้นมันก็ไม่สว่างก็ไหม้ไหม้ตลอดโดยที่ไหม้อยู่แล้วตลอดโดยที่ไมไ่ตั้งกับอะไรไม่ได้ต้องซ้อนกับอะไรไม่ได้ตั้งซ้อนกับอะไรตลอด ยิ่งกว่ความรู assim, ้สึกตัวเองยิ like, on, ا, ่งกว่ารู้ตัวเองยิ่งกว่าเห็นของตัวเองนั่นแหละไม่อหละลูกหมดใจยังได้หมดใจไม่นอะละไม่ไม่เนื่องเลรู้หรือไม่รู้ไม่นื่องเลเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นไม่ไม่นื่องเทิฏฐิไม่นึ่องเลยเห็นหรือไม่เห็นลูกนั่นแหละไม่หรือว่าสละตัวมันเองขายตัวทิฏฐิเอง ไม่เนี่ยเลยรู้แล้วไม่รู้หรือว่าไม่อันนี้ออวางยานทัศนะนอกเหนือยานทัศนะนอกเหนือวิถียานไปตรงตอนนิพพานอยู่แล้วทันทีตลอดตลอดตลอดตลอด